กำลังทำกันนี่เพื่อจะได้มีบทเรียนเพื่อจะได้ประกอบการกระทำได้ยินได้ฟังเอาไวา้เรื่องของชีวิตเรานี่ ถ้าไม่มีแผนที่กับการใช้ชีวิตก็สเปรตปะประมาภพลาดพังได้ก็จึงต้องจัดเกณ์ในเรื่องการใช้ชีวิตต้องมีกายมีใจกายใจนี่ก็มีทางหลง เ, เยอะแยะ แต่ถ้าเราศึกษาก็มีทางไม่หลงยเยอะแยะเช่นเดียวกันอย่าได้ประมาทแต่บาทในการใช้ากายใช้ใจเอาคืนไม่ได้ไม่เหมือนการฉีดการเขียนการทำงานที่เป็นวัตถุสิ่งของเย่ได้ชอมได้ แต่การประมาทในการใช้กายใช้ใจนี่เราคืนไม่ได้ทุกแล้วก็ทุกไปเลยถ้าหลงก็หลงไปเลยถ้าโกรธก็โกรธไปเลยถ้าทำแล้วก็ทำไปเลยเป็นกรรมไปเลยติดตัวไปเลยจึงมีศาสนามีคำสอนมีวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับกายกับใจของเรา ถ้าใช่ถูกแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับกายกับใจไปถึงมรรคผลนผานจุดหมายปลายทางจบได้ก็มีคุณไวค่าร้อยๆอยหยองจะใช้ไม่เป็นก็ไปสูนะ่นรกทุกขติวิบาก เราก็เห็นเห็นกันอยู่ที่เราเกิดที่มันเกิดกับเราเรามีความทุกข์เป็นว่าหน้าแล้วเราถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วัางทีเราก็ไม่เห็นทั้งที่ห้ามตาไหลทั้งที่ร้องไห้ทั้งที่เสียใจใกินไม่ได้นอนไม่หลับก็ยังจำนวนยอมมันอยู่ โดยจึงศึกษาเรื่องนี้กันบ้างมันจึจะมีคุณค่ามีกายในใจโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมนี้มีให้เราได้ใช้กายใช้ใจอย่างประเสริฐชีวิตประเสริฐ มีสติไปในกายอยู่เป็นประจำมีสติไปในจิตใจอยู่เป็นประจำขณะที่ตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเลื่อนลืมลดกายสมผัตจิตใจคิดนึกมีสติจนมากจะหลง เคยกินในความหลงไม่เคยกินในความรู้เพราะไม่เคยฝึกตนสอนตนผิดซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกท้ำแล้วซ้ำอีกเกิดอกุศลมากว่าเกิดกุศลที่กายกับใจนี่น่าจะดูน่าจะเห็นแต่ละด้านไปเลย เราจึะมาฝึกกรรมาฐานกันสาธุเจ้าทํามาแล้ ว, ท, ท, ลลวทําให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าหลายๆชีวิตที่ทําให้เกิดเป็นพระอรหันต์ลู่ตามพระพุทธเจ้าน้อยต่ำที่สุดก็เป็นอุบาจกบาจิกาผู้ที่อยู่ใกล้คิดกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ หรืออีกหลายคนไม่ได้เป็นพุทธบริษัทไม่เคยเยียนหลงเป็นลูกไม่เคยในความอดทนไม่เคยมีความสงบในความพุ่งซ่านไปกับโรคทั้งหมดเลย ดีที่ชุดแล้วมาฝึกกรรมฐานนี่เป็นสิงที่ดีไม่ประมาทก็ไม่ประมาทก็มีสติเป็นในกายมีสติเป็นในจิตใจด้เลยกับการใช้ชีวิตของเรายิ่งเรามีวิชากรรมฐานยิ่งเหยียบเส้นทางอยู่เสมอจนจะไม่จำนานเหมือนแต่สะพานข้ามภาก ถึงฝัง่งงน่นทุกร่างทุกเท้าวิชากรรมฐานเป็นวิชาข้ามฟากมันหลงข้ามไปฝั่งไม่หลงมันทุกข้ามไปฝั่งไม่ทุกมันโกรธข้ามไปฟังไม่โกรธมันชำนาญจนมันแยบข้ามไปฝังไม่แยบมันเจ็บข้ามไปฝั่งไม่เจ็บมันตายข้ามไปฝังไม่ตายมันกับสพาน สะพานมีแต่เราไม่ข้ามข้ามไปแล้วก็ไม่ได้เอาสะพานไปด้วยกายใจของเราเพื่อการนี้โดยตรงเพื่อข้ามได้เอหลงก็รู้ได้เธอทุกข์ก็รู้ได้ให้ข้ามอย่างนี้เรียกว่าชีวิตประเสริฐมีให้เราได้ข้าม เหมือนกันสะพานวัดป่าสุโโตเนี่ยเขตามาวาสีเขตชาวบ้านวุ่นวายมีโรคมีหลานีอะไรต่างๆเขตอยญวาสีเป็นเขตสงบข้ามมาอยู่ที่นี่ฉันแล้วก็รีบข้ามมา มานั่งมีสติมานั่งตั้งกายให้ตรงมีสติให้มัน่นอัดตนสอนตนแล้วก็มีนิธิได้รับมรดกจากพระพุทธเจ้าไปวางธรรมวินยัย ทำให้เราได้มีอาศสง์อาศัยบุญบุญมีของพระพุทธเจ้าที่เราทำไว้ก่อนให้พวกเราได้อาศัยมีบินทบบาทมีที่อยู่อาศัยมีอาหารมีเรื่องนุ่งห่มไม่จ่ารักษาโลกเป็นมูลนิทธที่พระเจ้ามอบให้พวกเรามา ในประเทศไทยไปไหนก็ไม่ตายน่าจะชื่นดกชื่นใจ อ, อะไรเยอะแยะที่เราได้เป็นไปเจอาศัยเพื่อจะได้ทั้งความดีมีสติรบอยเปอร์เซน มีเพื่อนมีเม็ดทั้งพระสุสงทั้งอุบาสกบัณิกาเพื่อความสะดวกในการนี่ก็พอมีอยู่ในโลกได้เพื่อให้เราได้ใช้ชีวิตเพื่อข้ามภาคให้สะดวกที่สุดไม่ต้องพัลุงพลลอง ไปไหนก็ไปแต่ว่ามันก็อยู่ที่นี่ที่กายที่ใจเรานี่แต่อย่าไปในความหลงอยาอยู่ในความหลงให้มีสติประมาทไปได้ชีวิตเรานี่ประมาญในความผิดประมาญในความถูกความถูกได้หน่อยก็ประมาทไม่ทําไม่เจริญ เข้าหน้าความผิดเล็กน้นอยก็ประมาททาให้ความเจริญเข้าหน้าเจริญในทางอกุศลไม่ใช่เจริญในทางกุศลไม่ได้เอาเรื่องนี่เป็นโจทดเป็นเจนชี้วัดเราหลงก็หลงอยู่เช่นนั้นทุกข์ก็ทุกขอ์กขอยู่เช่นั้นปีก็ปีอยู่เช่นนั้น ไม่มีคณิตศาสตร์ไม่มีวิทยาศาสตร์ไ ม, ล ม, ล ม, ม่ลบความหลงมีสติมันลบความหลงหรือศูนย์ตั้งด้วยเลขศูนย์จึงจะถูกต้องอะไรก็ตามชีวิตเราต้องตั้งด้วยเลขศูนย์การตั้งด้วยเลขศูนย์ของชีวิตเรานี่วิธีปฏิบัติก็ ตรงที่สุดเลยเป็นสูตนั์หลงก็ลูกศูนย์แล้ววันทุกก็ลูกศูนย์แล้วมันโกรธก็ลูกหรือศูนย์แล้วก็มันเหลือ ไม่ลงตัวแล้วก็ไปถูกต้อผิดกับพฤติผือไปไม่ลงตัวเหมือนพวกสวยแบ่งเงินโบราณท่านว่ามีเงินอยู่สี่บาทแบ่งคนสีคนแบ่งไม่ถูกไม่ลงตัวนับไม่ถูก สวยคนนับไม่ถูกเงินสีบาทก็แบง่งจะให้ได้คนละบาทก็แบ่งไม่เป็น ย, ยวนิตเดานี่ทำอะไรก็ไม่เป็นหลงลูกก็ไม่เป็นเหมือนสวยคนดึกตำบันทำไม่เป็นไม่ได้หัด ก็แค่นี้ก็จนแล้วหลงเป็นหลงถือว่าจนแล้วจนในจิตวิญญาณตัวก็ทุกข์ถือว่าจนแล้วโกรธก็โกรธถือว่าจนแล้วจนกายจนใจอาจจะมีเงินมีทองมากมายแต่ช่วยเรื่องนี้ไม่ได้เลยเงินทองเงินจำไนอก ต, ตัวไปไม่ได้แค่แค่นี้ก็แก้ไม่ได้เราจึงมามีทรัพย์ภายในกันถเถอะหลงก็ลู้ทุกก็ลู้เข้าไปถ้้มันมีทรัพย์ภายในเมื่อมีมากๆ ก, ก็เหงาการเกิดแก่เจ็บตายหรือจุดหมายปลายทางความตายความแก่ความเจ็บไม่มีค่าอะไรสำหรับชีวิตเรา มีที่สุดแล้วถึงที่สุดแล้วถึงความภาวะไม่เป็นอะไรแล้วจบแล้วเห็นหมดเห็นครบทุกอย่าง ท, ที่สิ่งที่เกิดกึ้นไปกับใจไม่มีตรงไหนปิดบงงังอภิพลเรียกว่าลึกซึ้งลึกซึ้งควาโกรธก็ลึกซึ้งในความไม่โกรธความทุกข์ก็ลึกซึ้งในความไม่ทุกข์ไม่ใช่ลึกลับถ้าเราไม่ศึกษาก็ลึกลับ โกรธเป็นโกรธหลงเป็นหลงทุกข์เป็นทุกข์ลึกลับไม่ทำไม่ได้ทำไม่ได้ลึกลับเกินไปแก้ยากทาใจยากเรียกว่าถ้าไม่ศึกษาไม่ถลุงก็เป็นปุถุชนปึกดังในเรื่องนี้ไม่เป็นกัลยาณชนพอที่จะช่วยตัวเองได้ เป็นโนดก็บิดเสริฐขึ้นมาไม่เป็นเลยเป็นพระอเจ้าลีดขึ้นมาอีกไม่ถึงว่าไม่ฝึกในครวเดียวกันมีถึงเป็นพระอเจ้าได้พระอเจ้ากระโดดจากที่นี่ห ล, ลงกระโดดไปผู้ดูชนถ้าหลงหลงก็ไม่ฝึกตวนสอนตอน เป็นคนด่อนเป็นคนปึกหนาะสาโหดก็มาฝึกกรรมฐานเนี่ยเหมือนประดับเหมือนตกแต่งเสริมสวยให้กับชีวิตเราจริงๆหนะึ่งงดงามงามในความจกปกมานความจกปกปเป็นคู่กับความสะอาด มันจึงมีความงามได้บอกตัวเองได้เห็นตัวเองได้เวลาใดที่เราหลงเราลูกขึ้นมาเนี่ยมันสง่างามโอกาสเป็นความกระโดดเป็นความหลุดลงเหมือนก็ลโลชักผ้าล่าหน้าแปลงควันเช็ดชุดเช็ดอะไรที่มันเปิดเื้อนออก มันก็มีให้เห็นอยู่แต่บางคนเนี่ยไม่รู้จักวิธีปฏิบัติกับเรื่องนี้มันเครียดก็ทําหน้าโวยหน้างออยู่นั่นมันยากก็ทําให้ยากอยู่นั่นมันง่ายก็ทําให้ง่ายอยู่นั่นไม่ไม่เหนือทาหน้าปฏิบัตินั่งหน้างออยู่ ยงไงหนูพูดรวมมาเลยมันเทียดง่วงนอนคิดมากเดือดดาตอาก็ร่วมมือกับความเทียดความง่วงเหมือนกับขี่เหมือนกับช่างขี่เหมือนกับเหมือนกับแบกช่างตัวใหญ่ ไม่แคนี้ก็ทําไม่เป็นที่ปฏิบัติก็ง่ายง่ายเราใช้กรรมฐานเราใช้กระดองหดเอาไว้ว่าเข้ามาในกระดองคือกรรมฐานรู้จักตัวงานเครียดก็รู้จักตัวเห็นเหมืนเครียดมาได้เป็นผู้เครียดเห็นหมือนเครียดงานคิดก็เห็นเหมือนคิดงาง่วงก็เห็นหมันง่วง คนขี่ช่างเป็นอย่างในี้ช่างขี่คนก็มันเครียดก็เครียดมันง่วงก็ง่วงมันหลงก็หลงมันทุกข์ก็ทุกข์หน่อช่างขี่คนไปเมืองบนเห็นคนขี่ช่างไปเมืองล่างเห็นช่างขี่คนเมืองบนก็คือใจมันสูงมันรู้เมืองช่างเมืองล่างก็คือใจมันต่ํา อะไรมาก็เป็นไปกับมันว่าใจต่ำตำ่ไม่ฝึกตนสอนตนเลวลาเราปฏิบัติจะเห็นหน้่นี้มากที่สุดความรู้ความหลงตรงกันพอดีความทุกข์กับความไม่ทุกข์ตรงกันพอดีความโกรธกความไม่โกรธตรงกันพอดีไม่ฟรีได้หลักได้ฐานได้บทเรียนได้เปลี่ยนร่ายเป็นดีตลอดเวลา ช่วโมงหนึ่งถ้าคนมีความเปิดเพื่อนมากก็ยิ่งจะสนุกช็ดล่องชีวิตของเรามันใช่แต่ไปแต่ป่ามามันใช่ผิดผิดมาอาจจะเปิเพื่อนมาคนไม่ลูกก็ชิดอย่างคนไม่ลูกคนไม่ผัวมีเมียก็ ค, คิดอย่างคนไม่ผัวมีเมีย ก็มีความทุกข์ก็คิดแบบคนมีความทุกข์คนมีกิเลสตัณหาก็คิดแบบมีกิเลสตัณหาคนมีหลักข้าโทสะก็คิดแบบนั้นเป็นจริตที่มันติดมาก็ฉายออกมาให้เราเลยเห็นเนอยิ่งจะได้เกิดความเข้าใจได้บทเรียนเยอะกว่าคนที่ไม่เห็นอะไรบางที มือสีขาวมือสีดำมันทำให้เราได้ได้บทเรียนดีมือสีดำมันมันทำให้เราได้ตากบันที่จะหาแสงสวา่างมือสีขาวมันประมาทในความสุขประมาทในความสะดวกทำให้อ่อนแอไม่ทำอะไรได้ทำอะไรได้ยาก ว่าที่ลาบากเนี่ยมันก็ตือรือร้นเห็นคนสุบผุดีเราไม่สุบผุดีหรือว่าได้เปรียบเขาประมาทเขานอนเล่นอยู่เราทำบ้านหรือว่าเราได้เปรียบเขาเย็นเหล้าเราไม่เย็นเหล้าหรือว่าเราได้เปรียบเขาชุลุยชุบไล่เราประหยัดมัธยฐานการใช้ ปัจจัยให้เราได้เปรียบเพื่อประมาทไม่ประมาทในเมื่อพืนประมาทตื่นอยู่ในเมื่อพืนหลับยอมละคนโง่ไปไกลง้นม้ามีผีเท่าดีทิ้งม้าที่ไม่มีกำลังแข็งนั้น ช, ชีวิตของเราก็เช่นกัน ยึไหล่เปรียบเทียบอยู่เสมอแม่เราประกอบการนาฬิกาเราก็ยามทําอยู่คนเดินที่เกียวที่คานทิ่งกับคนที่เกียวที่คานไปกายาหน้าก็ต่างกันตำอะไรก็เป็นบางคนทําไม่เป็นเพระาะใบจับบานทิ้งไปเลย แต่บางคนใส่ใจสักหน่อยมามามาทำตัวชี้ทำแล้วไม่ถูกทำแล้วไม่ถูกทำอีกทำไปตาอมามันก็ถูกว่าเป็นศินลปะกลายเป็นศาสตร์เป็นศิลป์ขึ้นมานตรงนั้นได้แต่คนไม่ค่อยศึกษาก็ไม่รู้ตลอดชีวิตสิ่งที่มันเกิดกับเราเนี่ยมันให้การศึกษาเรา นั่นให้บทเรียนให้ประสบการณ์ถ้าเราได้เห็นเรามันก็ไม่ชว่วทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างอาการกับอาการกต่างๆที่เกิดกับปากับใจนี้สามารถแก่ได้ทุกอย่างอย่าไปหัวเราะอย่าไปร้องไห้อย่าไปเสียใจอย่าไปดีใจกับมันอย่าไปมีความสุขความทุกข์กับมันมันไม่มีอะไรเรา เหยียบมาดูก็ไม่มีอะไรมันยิ่งเรามันไม่หล่ได้สูงขึ้นมามันสูงพรามันขึ้นไปเหนือมันเบืหลงไม่หลงเลยสูงนลยเบืทุกข์ไม่ทุกข์สูงกว่ามีไหมถ้ามีอย่างนี้นั่นแหละโอกาสแล้วถ้าไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีหรอก พระเจ้าเกิดจากกองทุกข์แท้ๆนะถ้าไม่พ้นจากทุกข์ไม่เป็นพระเจ้าไดหรอกใครอยากเป็นพุธเจ้าเห็นพระเจ้าก็ต้องเห็นความทุกข์พ้นจากความทุกข์พระเจ้าไปแบบนี้เท่นทางแบบนี้ผู้ที่ลู้ตามและบำเพ็ญอรหรันจะเรียกว่าพทธเจ้าไนได้แต่ว่าอารหันเป็นผู้ลู้ตาม ทีหลังมือสองโดยามตาทูเจ้าสนเราลู้ตามเนี่เป็นอรหันต์ได้ผู้ไกลจากฆ่าศึกได้เราจะต้องเป็นอะไรจะต้องเป็นบุตรชนหรือนั้นไม่คุ้มค่านะเราจึงมีวิชากรรมฐานเนี่ยวิชาที่ ระดับปรเมีสร้างปรเมีของเรายิ่งมีธรรมไปไหนยิ่งสร้างปรมีให้ให้เราด้วยนี่การใช้ชีวิตที่เป็นระบบระเบียบตื่นขึ้นมาธรรวัาสวดมนต์สาธยายพระสูตรนี่จิตวัดวิธีวัดที่พระเจ้าวางไว มันห ล, หล่อหลอมเราเห็นท่าบ า, าดหลงเงินหลงบังได้เห็นน้ำใจของคนดีนยกมือไหว้เอาข้าวก้อนหยอนลงใส่บาดมันทำให้เราไม่ประมาทวางค้นมือฉันจันใส่บอด ยกขึ้นทั่วมหัวเคีย์เราอยู่เสมอกลองเคีย์ให้เราได้ไม่ประมาทในสิ่งแวดล้อมสำหรับธรรมวินัยนี่ล้วนเต่หลอกหลอนให้พวกเราไม่ประมาท ทำให้เป็นพระขึ้นมาได้จริงๆแต่ถ้าช้าไม่ถูกรูปประมาทขี้เกียจขี้ค้านเป็นพระขี้ค้านขี้เกียจก็เหมือนกันความสะดวกเพื่อการขี้เกียจแต่ความสะดวกเพื่อการสร้างสรรค์แทบจะไม่มี หลายๆยอย่างของการใช้ชีวิตที่ไม่ถูกท้กอก็เป็นเปรตได้นักปวดตกทั้งโลกได้แต่ไม่ปฏิบัติตามธรรมวินยัยก็เทศนามัยธรรมเทศนามัยธรรมะธรรมะฉากัดฉาไม่การฟังถามต า, า, า, า, ามการ การพบเห็นของเก่งของพระ เ, รเจ้าควมีศิละปะวิทยาการอดทนในความเพียนเผาเฉลดกา อ, อยู่ในประเทศอันสมควรมีผู้บอกมีผู้สอนมีผู้ดูมีผู้ด่ามีผู้ขี้ทู ด, ดมีความกตัญญูแต่เวทีเป็นมงคลเยอะแยะเลย ในกายในใจเรานี่สร้างมงคลสร้างกุศลได้ทุกโอกาสนอนอยู่ก็สร้างได้ไม่มีอะไรก็สร้างได้ถ้ามีกายมีใจเราถึงเจอทั้งเศร้าขนาดนาก็สร้างได้เพียงแต่นอนดูลมหายใจลู่สักตัว มันเจ็บ ก, ก็รู้จักตัวมันอะไรก็รู้จักตัวเนี่ยมันมันชึ่งดีเลืเ ก, กินท่านบอเนี่ยให้เราได้มีที่พึ่งพาใส่คุ้มครองให้เราได้ปลอดภัยอยู่เสมอเป็นชีวิตไม่มีภัยเราจะมาหัดกรรมฐานยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมต่อไปไม่ต้องทำ มันบรรลุธรรมทางใจแล้วมันทำเป็นแล้วคนที่ทำเป็นแล้วไปเรียนทำใหม่ไปอธิษีานทำใหม่แต่ทำก็ทำเป็นรูปแบบเพื่อทำให้กันดูอยู่ให้กันเห็นพูดในการฟังแต่โอกาสมันทำให้ดูไม่ได้มันอยู่ให้เห็นไม่ได้มันพูดให้ฟังไม่ได้ มันก็มีของขาคของใช้ไปเลยเป็นว่าเป็นผลไปเลยถ้งเขาอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกมันทำไม่เป็นนะจนที่สุดเรายังฝึกตนสอนตนจะได้ประมาดในการอยู่ในการใช้ชีวิต มันเกลี้ยงอยู่ในมือจิตใจของเราไะอย่าให้มีอะไรมาหมักหมมเหมือนหินที่อยู่น้าไหลไม่ขึ้นสนิมถ้าห็นอยู่ที่น้านิ่งขึ้นสนิมได้จิตใจของเราก็อยู่กับอะไระจะหยุกับอะไรไม่ได้ต้องเหนื่อยเสมอไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ตลอดเวลา ไม่เป็นอะไรกับอะไรอยู่ตลอดเวลาถ้าไปสยบอยู่มันก็จะเนิมเกิดจะเนิมก็จินมันเองจิบหายเอง ก, ก็ก็จิบหงายเพราะกิเลสจิตใจก็จิบหงายเพราะจัลกิเลสมันเนิมมันกิน ทุกในกายก็กินทุกเองทุกในใจก็กินทุกเองหลงในกายก็หลงกินกายเองหลงในจิตใจก็กินกจิตใจเองัหมือนเราพ่อไปไล่พวกแค่พวกเฉย ก, ก็ก็ยังไม่สูงมันปล่อยให้มันขึ้นไปกินไงจนหมดแอดอีสลาสลาไม่ไผ่ไม่เคยไปดูเดินไม่ถึง แต่เดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรเห็นภาพความก็เดินไปถึงโน่นไปดูก็ไล่าพวกกว้ใจช่วยได้ก็หมดไปแล้วก็ขอโทษชะลาหลังนั่นเราไม่ได้ดูเราจะคลุ้มครองทุกอย่างในโลกนี้ที่เราสามารถทำได้ ให้ปลอดภัยทุกอย่างไล่ปกวกขึ้นกินกะติซ่อมแซมอะไรที่มันไม่ดีเวลานี่เราก็มีน้ำบอดแล้วนะบอ่อน้ำทางโ น, น้นเ่ยดีมากเลยแค่หกเก็ดแบ่เท่านั้นเองแล้วก็เอากวดไปยอนลงมาตักขึ้นมาใส่เจ้าตื่มได้ เราจะชวนไม่ออกก็ย อ, อ, ย อ, ย อ, อ, กอยู่ทั้งนั้นเนาะงานหาบอนสั่งทองแถวอยู่มีแต่เป่าใหม่เต็มไปบเจดที่สั่งมาไห้เพิ่งของแถวท้งนี้งานหาบอนอยู่ยไม่ออกอยู่แถวนึ่งไอ้รองพออยู่แถวหนึ่นงยแยกจากหมูหอ่ขอข้นแจ้วหลีกไปอยู่ฝุ่นเหมือนค่อยแจงเัวแจงแยกจากหมู อยู่บอยู่น้ำไหวรุนเขาปยชนอยู่แรกกันจนเหลือแต่ ก, กระดูกคนละหงี่มี่พุทโธอยู่น้ำกันบ่ไหนไปเบิร์ตเต๋เยอะเทนี่เต๋ฮะมองตลกตห้านหยวนเติฮะ เ่าไปเดินหาบอนสัา ง, ง, างองแถวกนเ็ดดีันนี้เฮ็ดหนา้หาใหมหน้าสังแขัดัวนา้ามตางกันมากววันผู้ขอท่องมันมีถังเดียววันนี้เฮ็ดเป็นสีถังมาตมาเสลิมบีเอ า, ากักเอ า, ากัก แปดเอาจากสามทอนสิบแปดสอบความสูงยี่สิบสอบโขึ้นมาสอบน้มขึ้นน้ำพอแผ่นนอนอยู่คนบอกอยูน่น้ำโมโเอกปะไอเขาเราทำโฮแ้งแมาแล้วนี่อาสาสมัครปะเน่ยนะมีจะคน มีหลายค้ที่ของเงินรัฐบาลของเงินผูว่าวันที่เ่าผูวว่าใช่ไหมผูต้ตรวจราชการหลายข้อที่มา <laughs> ของเงินอีมี่ผู้ตรแรกเดี๋ยวนี้ต้องเอาใจใจเล็กน้อยกับผู้ถูา่าถึงสอง ไหวนี่บ่มีคุน่ะบ่ไม่ขาตกคนกคนน่ถ้าทีมเด็กน่อยครับทีมผูเ่าบอลสำเร็จหลังฟอเนี่ยงานอนไรบอสําเร็จสร้างบ้านคนแก่ไกับ บ, บ่มีพูดอยู่บู่ขอทองมีศูนเด็กแล้วมีคนแก่บางใก ล, ก ล, ก ล, กล้กันมีคู่พีเลี้ยงสีบแดงคู่มาดูคนแก่ คนนึ่งวางคู่ดูเด็กหนุย่ยคนหนึ่งจางบานไว้ไว้ผู้อยู่เจ้าคนที่แรกหวังอยู่จางบานแล้วตาดาร้อนทนอนี่ก็ะตือกระรรมน์หมุนไงเอาเครื่องดื่มไปไว้ให้เอาตู้ยาไปไว้ให้บอกว่าผู้ใดหิวผู้ใ ด, ดเจ็บใดป่วยมื่อนี่บอกว่าวัดนี่อย่าไปไไผู้พอไม่ลูกไม่เต่าลูกเต่าไปบลักจารธรรมอานคงเทม ไอ้มาอยู่นี่ชัวข้างชัวข้าวกันได้ไม่ีแน้วให้กินไม่ียามีโหลดมีลาบผ้าไปห้าหมอไห้มาบอกนี่พอไม่หลูไม่หลานบอกจะว่าเวยาเปี้ยวเดียวได้ที่เป็นมูเป็นเม็ดบ่พยโฟยู่จักเถี่ยเชือไอั น, นี่ก็คิดว่า <laughs> ได้บ่อะไรํำเ็ยแล้ว แต่น <clot ting> ี่วัดไปใช้ไปพูดดีเดี๋ยวตั้งนี่ตอ้าวป่าวป่